262นี่แหละผู้มีอำนาจในโลกหรือผู้ไม่มีอำนาจในโลกผู้ทำได้ดังกล่าวนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอำนาจทำให้โลกนี้โลดได้ผลหรือดับสมุทัยในความเป็นโลกในตนได้ผลโลเกอติตาย่อมชื่อว่า ผู้ไม่มีโลกนะโหติเพราะมีอำนาจจริงนี่แหละผู้มีอำนาจในโลกโลกเกอัติตาส่วนผู้ที่ทำให้โลกนิโรธไม่ได้ผลหรือดับสมูทัยในความเป็นโลกในตนไม่ได้ผลโลกเกนัติตาเพราะไม่สามารถทำให้โลกสมูทัยหมดเหตุในความเป็นโลกไปได้ คนผู้นี้คือผู้ไม่มีอำนาจณโหติเพราะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกไม่มีโลกวิทูและไม่สามารถทำให้อำนาจในโลกหรืออำนาจของโลกนั้นๆโลกาที่ประตยดับไปหมดสิ้นไปสนิทไม่เกิดไม่มีอีกสำหรับตนพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ43า นี่แหละผู้ไม่มีอํานาจในโลกโลเกนติตาส่วนผู้ที่ไม่สามารถศึกษาอย่างสัมมาทิฐิก็แน่นอนว่าย่อมไม่มีอํานาจที่จะดับโลกในตอนนั้นนั้นได้ชนี้แลคือผู้มีอํานาจในโลกหรือผู้ไม่มีอํานาจในโลกที่แท้จริงขั้นอรยิยสัจทีเดียวและท่านจะไม่เบ่งอํานาจในโลก ผู้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วจึงจะเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งความมีโลกและเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งความไม่มีโลกได้อย่างจริงแท้แล้วอาศัยโลกอยู่อย่างมีคุณต่อโลก